จัร์พรท่านครูาจารย์แล้วก็ น, นักศึกษาสาบะพบพ บ, พบนะฮะซึ่งที่กินข่าววันนักศึกษาเนี่ก็เป็นความเป็นองที่แสดงความใฝ่รู้น ะ, ะก่อนอื่นเนี่ยเมื่อจะพูดถึงความขัดแย้งเนี่ยต่มายอยากจะให้ทาความเข้าใจว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไป มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องระงับกันอยู่เรื่อยไปปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามเทียบเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นเรื่องการจัดการความขัดแย้งหรือการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งหมายถึงว่าทําให้เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงบทบาทของศาสนาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่การระงับความขัดแย้งเท่านั้นแต่ว่าอาจจะต้องหมายถึงการแปลเปลี่ยนความขัดแย้งและบางครั้งไอ้จําเป็นต้องเป็นตัวจุดประกายแหงความขัดแย้งขึ้นมาด้วย อัตมาพูดเชน่นนี้หมายความว่าบางครั้งเนี่ยในสังคมซึ่งมันมีความไม่ถูกต้องอยู่แล้วก็ถือว่าความไม่ถูกต้องนั้นเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคมบางครั้งกลางที่จะคัดงา้างหรือแปลเปลี่ยนความไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยให้กายเป็นความถูกต้องาศาสนาอาจจาเป็นจะต้องทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นยกตัวอย่างง่ายเมื่อสองร้อยปีก่อนมีปีนี้ครบสองปีพอดีที่มีการ เลอกการค้าทาสในประเทศอังกฤษนะฮะสองร้อปีก่อนการค้าทาสในประเทศอังกฤษเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้และถือว่าเป็นปัจจัยแห่งการสร้างจากกักรวนสร้างจรวรดิอังกฤษเพราะว่าเป็นแรงงานราคาถูกถือกันว่าการค้าทาสเป็นของดีนะครับค้าทาสจากจากแ อ, อฟริกาคราวนี้เนี่ยมันมีกลุ่มศาสนานะฮะจเป็นกลุ่มเคเเริสเกียนก็ดีหรือจะเป็นกลุ่ม นีการอื่นในสเปนนิกคริสต์ศาสนาก็ดีเนี่ยเขาจุดประเด็นขึ้นมาว่าการค่าทาสนี่เป็นสิ่งที่ผิดนะฮมันทําให้เกิดประเด็นความขัดแย้งขึ้นมานะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเห็นว่าคนแอฟริกานเนี่ยมันเป็นพวกมนุษย์ชั้นต่ำํำนะการที่จะเป็นทาสเป็นของที่ไม่ได้เสียหายอะไรและมันทําให้เศรษฐกษิจของเราเจริญรุ่งเรืองคืออังกฤษแต่กลุ่มศาสนาเหล่านี้เนี่ย เขาเห็นว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักศาสนาเขาก็คัดค้านการค้าทาสปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นโต้แย้งกัน20่สบกว่าปีแล้วก็ปีพั0 7กฎหมายห้ามการค้าทาสก็ผ่านในประเทศอังกฤษนะและนับแต่นั้นมาการค่าทาสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในแง่นี้เนี่ย ศาสนาบางครั้งจะเป็นตัวจุดประกายความขัดแย้งขึ้นมาโดยมีจุดยืนบนศาสนาธรรมเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะฮะในประเทศอเมริกาคนดำเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่สามารถเลือกตั้งได้เป็นส่วนใหญ่ถูกเกียดกันนะจะเข้าห้องน้ำต้องแยกเข้าห้องน้ำระหว่างคนดำกับคนขาว จะเข้าไปในร้านกาแฟก็ต้องแยกกันระหว่างคนดําคนขาวศาสนากลุ่มศาสนาโดยเพรากันนำของมัตติลต์คิงก็คัดค้านตรงนี้ขึ้นมาบางครั้งเนี่ยเอาตัวเขาไปเอาเอาตัวเข้าไปนั่งในในใ น, ในร้านกาแฟที่ห้ามคนดำเข้าไปนั่งมัตติลต์คิงจูเนียเป็นคนดําเข้าไปนั่งในร้านกาแฟร้านอาหารหรือห้างสรรสินค้าที่ห้ามคนดําเข้าไป ผิดกฎหมายไม่ผิดเกิดความขัดแย้งไม่เกิดนะแต่ว่าอย่างที่เราทราบปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าไอาการกีดกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดจริยธรรมและผิดมโนธรรมสำนึกแต่ว่ากว่าจะกว่ากฎหมายเหล่านี้เนี่ยหรือว่าความเชื่อแบบนี้จะเป็นที่ยอมรับของคนในอเมริกาโดยเฉพาะในภาคใต้ได้ใช้เวลาต่อสู้ 10ปี20ปีนะแต่ว่าในที่สุดนะมันก็กลายเป็นที่ยอมรับของสังคมจนกระทั่งรองผู้ผู้อย่างโอบาโอบาโอบามาเนี่ยซึ่งเป็นคนดำก็ตอนนี้ก็เป็นตัวเก่งประธานาธิบดีของอเมริกาไปแล้วนะนี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากาศาสนาเหมือนกันแต่เป็นการขัดแย้งที่ตั้งอยู่บนจุดยืนทางาศาสนาธรรมและก็ความถูกต้อง เมื่อ40ปีเช่นเดียวกันที่เวียดนามเกิดสงครามนะฮะสงครามเวียดนามมีชาวพุทธกลุ่มหนึ่งเข้าไปประท้วงรัฐบาลว่าการทำสงครามนั้นมันผิดนะต้องการเรียกร้องสันติภาพให้เกิดขึ้นพระบางรูปถึงกับยอมที่จะสละชีวิตเผาตัวเองนะจุดประกายความขัดแย้งขึ้นมา แต่สุดท้ายเราก็ยอมรับแล้วว่าสงครามเวียดนามนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องและมันคือบาดแผลของของประเทศอเมริกาทุกวันนี้ในตอนเน้นมอนในแง่นี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยาศาสนาจําเป็นต้องเป็นตัวตดจุดประกาศความขัดแย้งขึ้นมาแต่จุดยืนคือความถูกต้องและวิธีการคือสันติวิธีนะอันนี้ปร ะ, ประเด็นนี้อาตมาคิดว่าทําความเข้าใจในเบื้องต้น คราวนี้เนี่ยพอพูดถึงความขัดแย้งทั่วไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยตระมาคิดว่ า, าศาสนาจะเข้าไปมีบทบาทในความขัดแย้งแค่ไหนเนี่ยมันคงต้องดูที่ว่าคนต้องเอาเอาเอาความถูกต้องความเป็นธรรมหรือสันติภาพเป็นตัวตั้งบางครั้งความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคน2กลุ่มาศาสนาจะเป็นต้องเข้าไปเป็นตัวกลางเพื่อทําให้เกิดการไก่ไกเกลี่ยขึ้นมาเดี๋ยเพราะถ้าความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันนําไปสู่การทําร้าย การเบียดเบียนการเอาเปรียบนะฮะหรือว่านำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นนะจุดยืนของศาสน า, าเนี่ยทศมาคิดว่าจุดยืนใหญ่ๆเนี่ยของศาสน า, าในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยอันที่หนึ่งคือว่ายึดถือเอาความถูกต้องความเป็นธรรมสรติภาพสัรติธรรมเป็นที่ตั้งนะถ้ามันมีความอายุติธรรมเกิดขึ้นก็จะต้องพยายามที่จะเข้าไปช่วยให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้น ถ้ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นต้องเข้าไปช่วยทําให้เกิดความไม่รุนแรงหรือว่าสันติภาพเกิดขึ้นนี่คือจุดหมายคือจุดหมายต้องเป็นธรรมสวิธีการศาสนาเนี่ยเดียวพุทธศาสนาไม่มีทางอื่นนอกจากสันติวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าศาสนาจะเป็นตัวจุด ป, ประกายความขัดแย้งในบางครั้งแต่ทําโดยสันติวิธีนั่นหมายความว่าเปิดโอกาสให้มีการโต้เถียงกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ใช้เอาไม่ใช้เอาอํานาจเป็นใหญ่ การต่อสู้ด้วยสันติวิธีหมายความว่าทุกคนมีสิทธิผิดได้แต่ความผิดนั้นเนี่ยจะไม่นำให้เกิดความรุนแรงเพราะว่าสามารถที่จะแก้ไขได้และดังนั้นเนี่ยมันจึงนำไปสู่การหาทางออกที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายครนนี้เนี่ยพูดถึงความขัดแย้งอย่างที่ตะมาบอกแล้วว่ า, าบทบางาศาสนาเนี่ยคือการทำให้ความขัดแ ย, งย้งนเป็นไ ป, ไ, ปไปในทางที่สร้างสรร ซึงงงง่งถึงที่สุดแล้วเป็นประโยชน์ของทุกฝ่าย <c oughs> เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในระยะยาวนะฮะ <c oughs> อันนี้บทบาทของาศาสนาในการที่จะช่วยแปลเปลี่ยนความขัดแจ้งเนี่ยมีอะไรบ้างอตมคิดว่าอย่างแรกเลยนะ <c oughs> ก็คือหนการเตือนสติการเตือนสติเ <c oughs> ตือน <c oughs> สติในเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเสนอเตือนสติให้มีคันติธรรม ขันธิธรรมคือความใจกว้างบางท่านก็แปลว่าความทนกันได้ขันธิธรรมคือความใจกว้างเพราะว่าในความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดความใจแคบความใจแคบนั้นแสดงตัวด้วยการไปประนามอีกฝ่ายหนึง่งหรือคู่กรณีว่าเป็นคนเลวเป็นคนชั่วเป็นคนที่เป็นต้นเป็นต้นเหตุแห่งความผิดพลาดหรือปัญหาทั้งปวงแม้จะเป็นปัญหาระหว่าง สามีภรรยาปัญหาระหว่างครูกับนักเรียนปัญหาระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ปัญหาระหว่างระหว่างาลูกน้องกับผู้ตายากั บ, ก, บกับเจ้านายพอความขัดแย้งไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีการกล่าวหาซึ่งกันและกันและการกล่าวหานั้นเนี่ยก็จะเป็นการกล่าวหาในเชิงว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเลวชั่วไม่ดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมาคิดว่าศาสนานเนี่ย ในที่นี้จะมาศาสนานี้ไม่ได้หมายถึงว่าตัวบุคคลเท่านั้นแต่หมายถึงตัวศาสนาธรรมหรือว่าหลักธรรมนะก็คือการทําให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่ดีร้อยเปอร์เซ็หรือผิดร้อยเปอร์เซ็นะการมองการมองคู่กรณีเป็นดําเป็นขาวเนี่ยเป็นที่มาหรือเป็นต้นตอแห่งความการทําให้ความขัดแย้งลูกหลามมากขึ้นคันติธรรมคือการที่เห็นว่า คู่กรณีนั้นเนี่ยเขามีส่วนถูกบ้างและเราเองก็อาจจะมีส่วนส่วนผิดหรือส่วนที่เราผิดชอบบ้างนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ทสําคัญมากเพราะเวลานี้เนี่ยในความขัดแย้งเนี่ยเรามีแนวโน้มที่จะมองคู่กรณีเป็นเป็นคนเลวยกตัวอย่างง่ายๆความขัดแย้งระหว่างเว้ในเมืองไทยมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอนุรักษ์กับฝ่ายพัฒนาหรือฝ่ายฝ่ายเอาทักษิณไม่เอาทักษิณหรือฝ่าย เอาพุทธศาสนาประจำชาติกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายสับทศูนย์คมชฝ่ายไม่ศัพท์ไม่เอาคมชสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือว่าการมองคู่กรณีเนี่ยเป็นคนเลวเป็นชั่วนะหรือไม่ก็มองว่าไม่ใช่ไทยไม่ใช่คนไทยหรยอนี้ใครพูดอะไรผิดหูไม่ใส่เสื้อเหลืองหรือว่าคิดอะไรไม่ถูกต้องตามกระแสนิยมหาว่าไม่ใช่ไทยนะนี่คือนี่คือลักษณะของการแสดงความไม่มีคันติธรรม ศาสนาต้องมีส่วนช่วยเตือนสเตือนสติเราคนเหล่า น, นี้ว่าเราต้องเปิดใจกว้างนะฮะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะติดดึดกับความคิดเอาความคิดเป็นหลักและมองเห็นคนที่คิดต่างเป็นศัตรูพุทธศาสนามองว่ามนุษย์ไม่ใช่ศัตรูมนุษย์คือพี่น้องกันแต่ความหลงความเปลียบความกลัวต่างหากคือศัตรูที่เราต้องขจัด พอถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยกันสมัยหนึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วซ้ายกับขวาก็เคยห้หาหันกันเสร็จแล้ววันนีนะ้ก็มาอยู่พักเดียวกันมาอยู่รัฐบาลเดียวกันใช่ฮนะคือถึงที่สุดแล้วคนเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะสามีภรรยา ท, ทะเลาะ ก, กันยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะศาสนาต้องทำให้เตือนสติเห็นให้เห็นให้เห็นให้เห็ น, ใ ห, หนให้มีใจกว้างหเห็นว่าอย่าไปติดดิ้กับความคิด หรือว่าลัทธิหรือแม้กระทั่งเชื้อชาติหรือแม้แต่เรื่องศาสนาโดยเห็นอีกฝ่ายหนึ่งที่คิดต่างจากเราเป็นศัตรูยนอธมะเชื่อตรงนี้เป็นเป็นเป็นจุดสาคัญ2อประการที่2คือว่าเมื่อเมื่อไม่มอ ง, มองเองมื่อเมื่อไม่ประนามอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อมีสติไม่ไม่เกิดความยับยั้งชั่งใจไม่ประนามอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นศัตรูแล้วเนี่ยศา ส, สนาศาสนาธรรชวยให้เขาเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน การเปิดใจและฟังซึ่งกันและกันนี่บางครั้งจะทําให้เราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เรานึกนะและเราเองเนี่ยก็อาจจะมีสว่วนรับผิดชอบนะเคยมีการเคยคุณหมอวิทานฐานนวุฒิเนี่ยแกเคยเป็นหมอที่ที่ทำกระบวนการอบรมในเรื่องการระงับความขัดแยง้งหรือการาการประสานความขัดแยง้งมีหมอ หมอฟันกับผู้ช่วยหมอฟันนะสองคนที่เขาไม่ถูกกันนะแล้วต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าตัวเองถูกอีฝ่ายหนึ่งผิดสิ่งที่คุณหมอแกทำก็คือว่าเอาสองคนนี้มาคุยมาคุยในในกลางวงที่ประชุมเลยมีกติกาว่าระหว่างที่ฝ่ายระหว่างที่ฝ่ายหนึ่งพูดอีฝ่ายนต้องฟังใช่ไหมฮะ ทีแรกเนี่ยให้ผู้ช่วยหมอฟันพูดหมอฟันฟังห้ามแยง้งห้ามเถียงฟังอย่างเดียวนะหลังจากนั้นเมื่อฟังเสร็จแล้วก็ให้พูดทวนว่าว่าผู้ช่วยเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างถ้าหมอฟันพูดแล้วผู้ช่วยฟังแล้วเนี่ยคิดว่าถูกต้องก็พยักหน้านะ หมอฟังก็แกก็แกก็แกก็ฟังเวลาหมอฟันผู้ช่วยหมอฟันพูดนะฮะหมอหมอฟันก็ฟังฟังเสร็จแล้วก็สรุปว่าได้ยินมายังไงบ้างผู้ช่วยหมอฟังผู้ช่วยหมอฟันก็พย <manne quin Burn en> ai ักหน้าว่าถูกคราวนี้เปลี่ยนสลับข้างให้ผู้ช่วยหมอฟันเป็นสายฟังหมอฟันเป็นฝ่ายพูดนะพูดจบหมอฟันพูดจบผู้ช่วยหมอฟันก็สรุปว่าได้ยินมายังไงบ้างหมอฟันสายหน้าว่าไม่ถูก ให้ผู้ช่วยหมอฟันพูดดีกทีหมอฟันก็สายหน้าก็ไม่ใช่3ครั้งหมอฟันถึงจะยอมรับว่าถูกคำถามก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมสิ่งที่เวลาทำไอะไรอะไรทำให้ผู้ช่วยหมอฟันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ถูกต้องเพราะว่าในใจเขาขณะที่เขาฟังหมอฟันพูดเนี่ยเขาคิดแยง้งคิดแย้งตลอดเวลาแย้งตลอดเวลาแย้งตลอดเวล า, วลาก็เลยไม่ได้ฟัง ควาไม่ได้ฟังก็เลยสรุปมาไม่ถูกต้องบางครั้งเนี่ยเรา <c oughs> เราเร า, เราพูดกันแต่เราไม่ได้ยินนะฮะเราพูดกันแต่เราไม่ได้ยินหรือเราได้ยินแต่เราไม่ได้ฟังนะเราได้ยินแต่เราไม่ได้ฟังเพราะศาสนาเราพังขยัเป็นอย่างนี้เสมอคือว่าเราดูเหมือนว่าคุยเราเราดูเหมือนว่าเราเราฟังแต่จริงเราไม่ได้ฟังเพราะในขณะที่เราได้ยินเนี่ยเราเถียงเราแย้งไม่ใช่ นัน้าที่ศาสนาคือการทำให้คนเนี่ยคู่กรณีนเนี่ยเปิดใจรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องยังไม่ต้องแยง้งยังไม่ต้องเถียงอะทั้งสิน้นแล้วเจ้าก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ <c oughs> ก็ต่างมีส่วนในการับผิดชอบที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาหมอฟันบอกว่าหลังจากได้ฟังด้วยใจที่เปิดกว้างจาก ผู้ช่วยหมอฟันแล้วเนี่ยหมอฟันบอกเข้าใจหมอฟเขาเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่มากขึ้นเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นแต่ทําไมแต่ก่อนไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ฟังครับทําไมถึงไม่ได้ฟังเพราะใจไม่ได้เปิดเนี่อธรมาที่ว่าศาสนานี่ธรรมะที่ตรงนี้นะอันนี้คือเรื่องธรรมิตธรรมอันที่สองคือการทําให้เกิดเตือนสติเพื่อเกิดเมตตาธรรมขึ้นอย่างที่ธรรมาบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ใช่ศัตรูนะฮะ สัตรูคือความโกรธความเกลียดความหลงความโลภสิ่งที่เราต้องทำคือทำให้เขาตระหนักได้เห็นว่าไอ้ความโกรธความเกลียดเนี่ยเนี่ยมันมันคือปัดปัญหาสำคัญมากกว่าศา ส, สนาต้องช่วยทำให้อีกฝ่ายนึงไม่รูกแก่โทสะแต่สามารถที่จะฟังได้อย่างมีใจที่เปิดกว้างและมีสติรู้เท่าทันความโกรธของตัวเองนะบางครั้งไอต้องมีกติกานะฮะ กติกาก็จะจําเป็นนะครเช <c oughs> ่นเวลาเวลาเถียงกันเนี่ยเนะอาอ น, นุญาตให้ให้โกรธได้คนละหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ระหว่างที่ระหว่างที่ระหว่างที่ฟังเนี่ยนะระหว่างที่ฟังี่โกรธได้นะฮะแต่ว่าก็สามารถที่จะต้องสรุปความเห็นของอีกฝ่ายหนึง่งให้อีกฝ่ายหนึ่งเขา้เขาใจได้ เตือนสติในเรื่องของเมตตาธรรมแล้วเนี่ยต้องช่วยทำให้เกิดสันติวิธีขึ้นมาคือมรรควิธีและเป้าหมายต้องตรงกันนะฮะคนเราเห็นต่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวิธีการต้องถูกต้องวิธีการต้องต้องเป็นสันติเพราะว่ามันจะช่วยทำให้อ่แม้จะมีความผิดพลาดยังไงเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเสียหายจนกระทั่งแก้ไขไม่ได้ถ้าถึงกับลงมือลงลงไม้กันหรือเกิดการฆ่าฝันกันแล้วเนี่ยนะแม้ว่า ความถูกต้องจะปรากฏในในในโอกาสต่อมาว่าอีกฝ่ายนั้นเขาไม่ได้ผิดอย่างที่นึกอย่างที่เข้าใจกันแต่ว่ามันก็ไม่มีทางแงาก้ไขกลับคืนดีได้นะอันนี้เนี่ยนอกจากเตือนสติแล้วนะฮะาศาสนาต้องเข้าไปมีบทบาทในการเป็นแบบอย่างด้วยเตือนสติไม่พอต้องเป็นแบบอย่างอันนี้เป็นบทเป็นเรื่องของบุคลากรทางาศาสนาแล้วะฮะจะต้องเป็นแบบอย่างนะฮะ เป็นแบบอย่างของขันติธรรมเป็นแบบอย่างของเมตตาธรรมเป็นแบบอย่างของการอยู่อย่างสมานฉันท์นะฮะคือการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างสันติอย่างเอื้อเฟื้อกันน ะ, ะอาจมาประทับใจในในในหลายจุดนะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะที่เขาแหล่งที่เราทราบว่ามีความขัดแย้งกันแต่ว่าก็มีผู้นำาศาสนาพุทธแล้วก็อิสลามเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นแบบอย่างของการร่วมมือกัน นะเช่นเวลามีการสร้างมัสยิดนะฝ่ายฝ่ายฝ่ายพุทธก็เข้าไปช่วยช่วยบริจาคเงินนะสร้างมัสยิดขึ้นนะฮะหรือว่าเวลามีฝ่ายพุทธเขามีงานผ้าป่ามีงานกระถินเนะี่ยก็มีผู้นำทาง伊斯สเนะีก็เข้าไป <c oughs> ไปไ ป, ไปมีส่วนร่วมในพิธีลำนั้นเท่าที่กดเท่าที่ศาสนาหรือว่าบทบัญญัติทางศาสนาอนุญาตได้ นะมันก็ทําให้เกิดเป็นแบบอย่างของความร่วมมือกันซึ่งช่วยทําให้ความโกรธเกลียด ร, ระหว่างศาสนาหรือระหว่างเชื้อชาติที่มีการพยายามปลุกสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะลุกลามไปได้อาจารย์มาคิดว่าการเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติหรือสมานะฉันเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยภูมิปัญญา รประเพณีของไทยสมัยก่อนนี่ ม, นมันมีตรงนี้มากในสามจวดชนภาคใต้ก็มีมีมีประเพณีว่าทา่ทานทำอย่างนี้อย่างเช่นในจวดสงขลาเนี่ยโดยเฉพาะในบริเวณที่ใกล้กับสามจวดชนภาคใต้เนี่ยมันจะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งนะคือว่าคนคนที่นั่นจะมีการแต่งงานกันข้ามาศาสนาเสร็จแล้วเนี่ยคนคนหนุ่มเนี่ยที่มีประเพณีอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเมื่อครบ20ก็ไปบวชนะบวช บวชเสร็จนะก็ไปเข้าสุเหร่านะมันแปลกดีไหมฮะบวชเสร็จแล้วก็ไปถือก็ไปก็ไปเข้าอิสลามถามว่าทําไมถึงบวชเป็นพระบวชเป็นพระกับบวชเป็นพร ะ, พระให้แม่พ่อแม่เป็นพุทธแต่ว่าพอบวชเสร็จแล้วนี่ก็สื อ, ออกมาก็ไปเข้าอิสลามนะเพราะว่าพ่อนี่เป็ น, เ ป, นเป็นมุสลิม น, นะอันนี้ก็เป็นการพยายามประสานศาสนา ซึ่งสอดคล้ อ, องกับแนวสอดคล้องประเพณีที่ว่า ก, การแต่งงานระหว่างระหว่างศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาช้านานแล้วนะอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็ น, ปนอัตมาคือเป็นแบบอย่างของศาสนานซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะเลือนหายไปแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนวัต ก, กรรมอย่างหนึ่งซึ่งช่วยช่วยทําให้คนที่ต่างศาสนานเนี่ยเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเพราะถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะต่างศาสนานอย่างไร มนุษย์ก็เป็นพี่น้องกันไม่ว่าเราจะเชื่อเชื่อตามกันอย่างไรถึงที่สุดเราก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันนะบางครั้งบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาและที่อุดมการ์มันก็เป็นแค่ยี่ห้อนะแต่ที่จริงแล้วมนุษย์เราก็มีสามารถที่จะเป็นเพื่อนมีความเมตตาต่อกันได้ <c oughs> นอกจากการเตือนสติแล้วนอกจากการเป็นแบบอย่างแล้วการร่วมมือกันก็สําคัญนะ ศาสนาต้องเป็นร่วมมือกันในการที่จะระงับความขัดแย้งได้ด้วยแล้มาประทับใจในะเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อปีพั3 5อนี่มันเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นมาทั่วประเทศอินเดียเพราะสืบเนื่องมาจากการการทําลายศาสนสถานในเมืองอโยธยานะมีการทําลายศาสนาสถานของชาวของชายสลามที่เมืองอโยธยา ยูเทีนี่เขาถือว่าเป็นรงจุดนั่นก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเกิดของพระรามนะเป็นที่เคารพของชาวฮินดูก็มีการทําลายมัสยิดกันก็เกิดการนําไปสู่ความขัดแย้งถึงขังน้นนองเลือดมีเมืองหนึ่งฮะซึ่งเขาไม่เกิดไม่เกิดการนองเลือดเลยคือเมืองบีวันดีเมืองบีวันดีเนี่ยอยู่ใกล้บอมเบย์บอมเบย์นี่นองเลือดกันนะตายกันมากระหว่างอิสลามกับฮินดูรว่ามุสลิมกับฮินดู แต่เมืองบีบันดีเนี่ยซึ่ง2ในสาเป็นชาอิสลามชามุสลิมหนึ่งในสมเป็นเป็นฮินดูปรากฏว่าในปี2565เนี่ยไม่มีการนองเลือด ก, กันเลยท่านังที่รอบรอบเนี่ยมันลูกเป็นไฟไปหมดถามว่าเกิดอะไรขึ้นคําตอบกคือว่าคนสองศาสนาเนี่ยนะเขารวมกันเป็นกรรมการสารันติสุขชุมชนขึ้นมาและกรรมการสารันติสุขชุมชนเนี่ยไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เกิดที่เดียวแต่เกิด ใน70 70ตำบลของเมืองนั้นนะฮะ70ในชุมชน70แห่งของเมืองนั้นนะฮะทหน้าที่อะไรฮะทำหน้าที่ระงับข่าวลือนะฮะทำหน้าที่ระงับข่าวลือบรรเทาความหวาดระแวงและความโกรธระหว่างระว่งเชื้ระหว่า ง, างาศาสนาและก่อนการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีคนยุยงให้เกิดความรุนแรงขึ้นคนยุยงนั้นเนี่ยก็อาจจะยุยง ด, ด้วยความด้วยความศรัทธาในศาสนาอย่างคลั่งไคล้หรือว่าเป็นนักการเมืองที่ต้องการปลุกกระแสเกิดความวุ่นวายขึ้นมาแต่กรรมาการศาลสันนิษฐานคุมชนเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยคนทั้งอิสลามทั้งมุสลิมทั้งฮินดูและคนเชื้อชาติต่ตางๆอินเดียมีมหลายเชื้อชาติในเมืองนั้นก็เช่นเดียวกัน สามารถที่จะช่วยทำให้ความรุนแรงการนองสามารถที่จะป้องกันการนองเลือดนะระหว่างศาสนาขึ้นได้ทั้งๆทีทนะ่เมืองนี้เนี่ยเคยมีการนองเลือดกันมาแล้วเมื่อปี 1, 3แล้วก็ปี3 1นคนตายก็เป็นส10ิบเป็นร้อยแต่ว่าข้อสรุป บ, บทเรียนแล้วศาสนาศาสนิกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกัน ร่วมมือกันได้โดยไม่เอาศาสนาเนี่ยมาเป็นกำแพงขวางกัน้นกว่าร่วมมือสมรรชคุณที่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่ชี้ว่าศาสนาเนี่ยสามารถที่จะมีบทบาทในการที่จะร่วมมือเพื่อระ ง, งับความขัดแย้งได้แต่สิ่งสมรรถคุณศาสนาะจะต้องไม่เข้าไปเป็นตัวตัวปลุกกระแสความขัดแยง้งเลยเราะความขัดแยง้งอันเนื่องมาจากความความหลงติดหรือคลั่งไคล้ ในศาสนาขึ้นมาเองเพราะตรงนี้เราก็ต้องยอมแล้ว่าปัจจุบันเนี่ยศาสนาได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการข่อควารุนแรงมากนะครทั้งนั้นที่ศาสนานเนี่ยน่าจะเป็นอ่าพ้นทางแห่งสันตินะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยก็จะต้องเข้าไปแก้ไขจัดการกันเองนะแต่แตบมาก็คิดว่าเท่าที่พูดมานะ ในส่วนก็คือว่าเนี่ยสามสามประเด็นนี้คือสิ่งที่าศาสนานีจะเข้าไปมีมบทบาทได้คือ1นเตือนสติสองเป็นแบบอย่างและสามนะร่วมมือกันนะเพื่อระงับหรือป้องกันหรือแปลเปลี่ยนความปันแย้งขึ้นมาแล้วก็ก็คิดว่าได้เวลาแล้วก็ขอรุติเท่านี้ก่อน